คน้าอยังติดกับโลกก็อยู่ไม่สบายคือถ้าเราคาดหวังว่าจะดีจะสุขจะสงบก็ไม่ได้นะมันจะไม่ได้อะแต่ถ้าทำแบบไม่ได้คาดหวังอะไรนะมันจะง่ายจะดีเองอะนี่ถ้าเราหวังว่าอยู่วัดจะต้องดีนะมันจะไม่ดีหรอกมันแกล้งให้ดูตอนเปิดวัดใหม่ๆหลวงพ่อคุมแจเลยนะคุมทั้งวันเลยตอนเย็นๆมาสอนทุกวันเลย เดี๋ยวนี้ต้องลดลงแก่แล้วไม่ไหวเหนื่อยโยมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเมื่อก่อนกลางคืนโทรศัพท์ไล่ตามกุฏิด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็เลิกแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วดูไปมันเกินจําเป็นเมันไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลวนะ่ามาไล่จิกเด็กทั้งวันเรียนไปแล้วได้หลักแล้วต้องไปทำเอาเอง เนี่ยที่ลงพ่อสบายตอนเย็นเข้ากุดก็หมดธุระแล้ววันนี้โล่งอกโล่งใจนะงั้นก็โทรไล่ไล่ไล่นะกว่าจะรอบวัดนะสามทุ่มครึ่งเนี่ยหมดแรงพูดไม่ออก <c oughs> ก็ดูหัวมันปวดไปอย่าไปปวดกับมัน <c oughs> <c oughs> มันถ้ามันมีเหตุมันต้องปวด เราไม่ได้ภาวนาให้ไม่ปวดนะถ้าเราหันก็ปวดหัวเป็นนะไม่ใช่ปวดหัวไม่เป็นเราไม่ได้ฝึกอะไรที่ให้มันผิดธรรมชาติธรรมดาแต่เราฝึกจนกระทั่งใจเรายอมรับว่าธรรมดาของกายมันต้องทุกข์นะธรรมดาของใจมันไม่เที่ยงธรรมดาของกายและใจเนี่ยเป็นอนัตตาฝึกไปจนกระทั่งเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราสุดท้ายหวาง วังแล้วมีความสุขนะร่างกายก็ป่วยของมันไปตามเรื่องของมันแหละหลวงพ่อก็ไม่ใช่ไม่ป่วยนะนก็ป่วยโน่นป่วยนี่เรื่อยเลยคือโรคหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ภาวนาให้มันไม่ป่วยแต่ภาวนาแล้วป่วยแล้วใจไม่เดือดร้อนอ่ะไปตึกแถวนี้ละเนี่ยจอยบอกเพื่อนนะใจลอยมาอยู่ทางหลวงพ่อละ แตมันวิ่งไปก็สองสองวันที่ผ่านมารู้สึกว่ามันโล่งๆเบาๆอะค่ะหลวงพ่อแต่วันนี้พอมันนั่งมันก็หนักๆนิดนึงดีแล้วนะวันนี้ของปลอมดูออกใช่ไหมมันจะหนักๆเออนะล้วใจเราไปกดมันไว้ให้นิ่งๆไปกดมันไว้เองอะไม่มีใครเขาทำหรอกทําเองสมน้ําหน้าทําเองทุกเองที่จริงแล้วก็คือเราได้คอยเรียนรู้ไปนะ เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปกายกับใจนะเขาแปรปรวนเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาเป็นทุกข์นะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาห้ามเขาไม่ได้หรอกนี่เราไม่ฉลาดใจเราไม่ฉลาดเราอยากให้เขาดีอยากให้เขาสุขอยากให้ ส, สงบถาวรด้วยเราไปอยากในสิ่งที่ไม่มีจริงในการที่เรามาเจริญสติเนี่ยเราก็ได้ค่อยๆเรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจ จนวัน น, นึงเขายอมรับนะเขายอมรับความเป็นจริงของกายของใจแล้วเขาก็ไม่ยึดถือมั้นพ้นทุกข์เพราะไม่ยึดถือมีความสุขมากเลยไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขอย่างโลกโลกหลวงพ่อก็รู้จักนะแห่งพวกเราชาวโลกสุขยังไงหลวงพ่อก็เคยเป็นฆราวาส ร, รู้จักนะความสุขของคนในโลกนะมันเหมือนความสุขของเด็กอะ่ะเด็กเล่นหินเล่นทรายเล่นดินสกปรกมัมแมมนั่นก็มีความสุข ไม่ใช่ว่าในโลกไม่มีความสุขแต่มันสุขแบบมอมแแมมถ้าเราภาวนาเป็นนมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่สะอาดหมดจดมีความสุขจริงๆความสุขในโลกมีแต่ความแปรปรวนความสุขในธรรมนี่นะถาวรคงที่ความสุขในโลกเนี่ยอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขในธรรมไม่ได้อิงอาศัยอะไรเลยเป็นความสุขของคนที่เป็นอิสระ ในใจของเรายังไม่เห็นความจริงแล้วพามันดูไปเรื่อยๆใจไม่ยอมรับธรรมะนะใจมันเราใจเราแต่ละคนมันไม่ยอมรับธรรมะคือมันไม่ยอมรับความจริงอย่างร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เป็นความจริงนะเราไม่ยอมรับนะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจิตใจของเราต้องสุขบ้างทุกบ้างเราก็ไม่ยอมรับเราอยากสุขอย่างเดียว mm. จิตใจของเราเป็นของบังคับไม่ได้ เดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเราบังคับไม่ได้เราก็ไม่ยอมรับเราอยากบังคับให้ได้อยากให้มันดีถาวรในการที่เรามาหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจเพื่อวันหนึ่งจิตใจมันจะได้ยอมรับความจริงมันยอมรับความจริงมันจะเห็นเลยสภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเสมอภาคกันโดยตัวของมันเองอยู่แล้วความสุขและความทุกข์ก็เสมอภาคกันนะเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์เลยของเรารู้สึกเลยความสุขกับความทุกข์ไม่เสมอกัน กุศลแลรกกุศลก็เสมอภาคกันเราก็รู้สึกว่าไม่เสมอแท้จริงแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตร ล, ลักษณ์นั่นแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแต่เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจนี้เป็นทุกข์นะแล้วก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีอะไรบังคับได้ชั้นเดียวใจเราไม่ยอมรับตรงนี้แท้จริงแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายนะั้นเสมอกันหมด ทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วธรรมะที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายนะเสมอกันใจเราต่างหากที่ไม่เสมอกันใจเราจะรักอันนึงเกลียดอันหนึง่งรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วเพราะใจเราไม่เสมอภาคใจเราจะดิ้นรนใจเราดิ้นรนปรุงแต่งใจเราทำงานขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าวันหนึ่งปัญญาเรารู้แจ้งแทงตลอดลงไปนนธรรมะที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วอะไรนะ่เสมอภาคกันหมด เกิดแล้ว네ดับทั้งหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวใจมันมีปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางใจเป็นกลางใจก็จะไม่ดิ้นรนใจไม่ดิ้นรนใจก็ไม่ทุกข์นะงั้นเมื่อไหร่ปัญญาเกิดเห็นสภาวธรรมทั้งหลายเสมอกันหมดใจก็จะไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นใจไม่ทุกข์ของเราไม่เห็น เรารู้สึกไม่เสมอกันรู้สึกไหมสุขดีกว่าทุกขุศลดีกว่ากุศลเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เป็นคู่คู่เยอะเลยละเอียดดีกว่าหยาบที่ใกล้ดีกว่าที่ไกลภายในดีกว่าภายนอกเลยธรรมะเราไปหลงธรรมะที่เป็นคู่คู่ธรรมะภายในเช่นแม้สงบอยู่ข้างในดีฟุ้งซ่านออกข้างนอกไม่ดี มาอยู่ใกล้ๆอยู่กายกายกายใจแล้วดีออกไปข้างนอกไม่ดียุ่งกับตัวเองดียุ่งกับคนอื่นไม่ดีจริงเสมอั่ะยุ่งมาไหน่ก็ทุกเมื่นั่นแหละฉะนั้นเรียนนะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงสภาวะทั้งหลายเสมอภาคการใจของเราทั้งหากไม่เสมอไม่เสมอภาคจะรักอันหนึ่งเกลียดอันนึงแล้วก็ดิ้นรนดิ้นรนแล้วก็ทุก เมื่อไรปัญญาแจมแจ้งทําที่เป็นคู่เสมอภาคกันหมดใจก็ไม่ดิ้นรนนะใจไม่ดิ้นรนใจก็พ้นทุกนิพพานเป็นความสิ้นราคะสิ้นตัณหาสิ้นความอยากนิพพานเป็นวิสังขารสิ้นความปรุงแต่งดิ้นรนเมื่อไรใจเราหมดความหิวโหยในอารมณ์นนโน้นเกลียดอารมณน์นี้หมดความปรุงแต่งอย่างโน้อนอย่างนี้ จิตใจก็จะเข้าถึงสันติสุขเข้าถึงนิพพานสังเกตให้ดีใจของเราทํางานทั้งวันทั้งคืนดูออกไหมใจิตใจเราทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยนะเดี๋ยวคิดโน่นเดี๋ยวคิดนี่ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วทั้งวันทั้งคืนเงราะนใจมันหาความสุขไม่ได้ความสงบไม่ได้ฟุ้งไปเรื่อยๆค่อยรู้สึกเอ า, เาก็รู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจจนเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วอะไรนี่เสมอกันหมดเลย ใจที่เข้าถึงธรรมเราจะเห็นสิ่งทั้งหลายเสมอภาคกันนะกระทั่งกับความตายและการมีชีวิตอยู่นี่เป็นก็ของคู่หนึ่งหมือนกันความตายและการมีชีวิตอยู่มีพระสูตรอันหนึ่งหลวงพ่อจําชื่อไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตัวท่านเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วล่ะแต่ท่านไม่ได้อยากตายท่านไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่นะและท่านไม่ได้ร่ําร้องหาความตายใจท่านเป็นกลางจริงๆ การทที่เป็นคู่ใจท่านไม่ดิ้นเลยท่านก็สามารถมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขแต่ว่าไม่ได้ติดว่าจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านก็ไม่ได้รีบร้อนว่าจะต้องตายตายไปซะเพราะว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์เงนันใจขพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปนะใจท่านเสมอันด้วยใจของพระอราหันต์ก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าตายตายแล้วจะมีความสุขนะ ของเราเวลาความทุกข์บีบคั้นมากๆเราก็รู้สึกตายจะได้มีความสุขหรือบางคนก็โอ้ตายแล้วคงจะลำบากนะมีชีวิตยอยู่นี่แหละดีกว่าเห็นไหมไม่เสมอภาคกันไม่เสมอภาคทุกเรื่องเลยนะในธรรมะที่เป็นคู่ค่ไม่มีเสมอภาคหรอกนั้นใจเรานี่เอ ง, เองที่ดิ้นรนไปเรื่อยๆเคยอ่านวิลังสูตรของวิลังนะงงิพพานสององค์ น, นั่งเฉียงกันนะว่าลมที่ถูกไอ้ลมมันพัดทง แธงมันสะบัดร้าเฉียงกันว่าลมไหวหรือธงไหวแลเวไปหลังชี้ขาดว่าจิตไหวต่างหากนั่งเฉียงสิ่งที่เป็นคู่มันอะไรแน่อะไรแน่อะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วหนะลงอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่คู่ ค, คู่ตลอดเวลาเลยพอเราหลงในสิ่งที่เป็นคู่ใจก็ดิ้นรนทํางานไปเรื่อยๆในขณะที่ทําแท้นะเป็นหนึ่งนะจิตก็เป็นหนึ่งนะทำก็เป็นหนึ่งไม่มีทำคู่นะ จิตก็เป็นหนึ่งมีสันติสุขอยู่อย่างนั้นนะ่ะทั้งวันทั้งคืนไม่กวัดแกวงแกว่งขึ้นแกว่งลงฟูขึ้นแฟบลงไม่มีไม่มีวิ่งไปวิ่งมาอะไรเลยเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นน่ะมีแต่ความสุขมีสันติสุขอยู่ในตัวเองนี่ว่าจิตหนึ่งทำที่ไปเห็นนะก็ไปเห็นทำหนึ่งในขณะที่พวกเราไม่เคยเห็นทำหนึ่งเราเห็นแต่ทำคู่ทำที่เป็นคู่คู่สุขทุกข์ดีชั่วกายกับใจนะนี่ก็คู่หนึ่ง สุขทุกข์ดีชั่วกุศลอกุศลกลางวันกลางคืนหลับตื่นมีชีวิตหรือว่าตายเป็นคู่คู่คู่ตลอดแล้วก็หลงกับมันหลงจริงจังกับมันถ้าเรียนรู้ไปเรืยวันหนึ่งใจจะเป็นกลางนะเป็นกลางมีแต่ความสุขล้วนๆเลยหลวปุมั่นท่านเรียกว่าทีติจิตจิตที่เป็นหนึ่งเนี่ยธรรมที่เป็นหนึ่งท่านเรียกทีติธรรม ทิฏจิตทิฏฐิธรรไม่ใช่ติฏินาฏนะทิฏิจิตทิที่ธรรมทิฏินาฏจริงๆก็ต้องเป็นชื่อของนิพพานเหมือนกันเลยบางองค์ท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้บางองค์เรียกจิตหนึ่งบองค์เรียกว่าใจบางองค์เรียกจิตเดียวแล้วแต่สัมนวนนะถ้าสัมนวนอริธรรมเรียกมหากริยาจิตเป็นอันเดียวกันมีหลายชื่อแล้วแต่จะเรียก มันจะเป็นหนึ่งไม่ใช่จิตที่หลงยินดียิน้ายกับอะไรมีแต่ความสุขนะประหลาดมากเลยความสุขที่แปลกประหลาดเวลาเราเห็นโลกหเห็นโลกนี้ราบเสมอกันหมดเลยนะผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนหรือหมาหรือแมวสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันเดียวกันหมด ราบเป็นอันเดียวกันหมดเลยนี่คนถ้าหลงในสมมุติบัญญัติก็จะไม่เป็นอันเดียวแล้วเรื่อเป็นคู่คู่มีผู้หญิงมีผู้ชายมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนมีสัตว์อะไรขึ้นมาเสร็จแล้วคงก็จะอยากอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งขึ้นก็ดิน้นดินแล้วก็ทุกข์แค่นี้แหละง่ายนะง่ายสุดขีดเลยถ้าเมื่อไรหยุดความปรุงแต่งจะได้นะ ก็พ้นจากความทุกข์ละใจใจของเราดิ้นรนปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนเพราะมันโง่มันไปหลงในสิ่งที่เป็นคู่คู่มันรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งเป็นตลอดเวลาชอบคนนี้ก็เกลียดคนนี้ได้นะยังมีชอบก็เกลียดได้วันนี้ยังรักนะอีกวันหนึ่งเกลียดก็ได้นะของที่ยังเป็นคู่อยู่ก็ดูเอาไม่ได้ยากอะไรนะง่ายที่สุดเลยง่ายกว่าที่เรานึกนะ ให้เรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตไปถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งคือการทำงานของจิตใจนะอย่างทองแท้เนี่ยความปรุงแต่งจะดับเองทีแรกมันดับด้วยสติอย่างจิตมันแอบไปคิดเนี่ยพอเรามีสติรู้ว่ามันไปคิดนะความคิดจะดับทันทีเลยแต่ประเดี๋ยวก็คิดใหม่คิดใหม่ก็หลงใหม่อีกนะหลงใหม่รู้สึกอะไรอี สุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาหมุนเวียนไปเรื่อยๆมีสติรู้ทันความปรุงแต่งก็ขาดไปเหลือแต่สภาวธรรมที่เขาแสดงตัวอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของเขาอย่างความทุกข์ในใจนะเกิดขึ้นมาอย่างใจมันเป็นก้อนพวกเราหลายคนภานาในนี้มีก้อนๆขึ้นมาเคยรู้สึกไหมใครเคยรู้สึกก้อนนี้บางวันเล็กบางวันใหญ่นะบางวันก็หนักบางวันก็เบายางดูไป ถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยไม่ใช่ว่าก้อนนี้จะต้องหายไปก้อนนี้เป็นวิบากแต่ถ้ามันเป็นกิเลสใจที่ไม่ชอบไอ้ก้อนนี้สติระลึกรู้ว่าไม่ชอบมัน น, นนะความไม่ชอบจะดับเพราะความไม่ชอบนี่เป็นกิเลสงั้นเวลาเรามีสติขึ้นมาไม่ใช่ว่าสภาวธรรมทั้งหลายจะต้องดับนะสภาวธรรมทั้งหลายเกิดดับไปเพราะมันมีเหตุถ้ายังมีเหตุอยู่มันอยู่ถ้าหมดเหตุมันดับไปยังไม่ใช่นั่งภาวนาให้ก้อนนี้หายไปนะหลวงพ่อ สามเดือนแรกนะไม่ใช่สามเดือนก่อนปรินิพพานนะส า, สามเดือนแรกที่ไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะสู้กับไอ้ก้อนนี้ตลอดเลยทุกวันเลยเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบานะหาทางทงําเงมันจะหายไปแต่หลังดูมันก็ไม่ค่อยมีนะบางลงบางลงนะดีใจไปบอกหลวงปู่ภาวนาเป็นละหลวงปู่บอกไปทําใหม่ไปไปหัดดูใหม่เลยะดูผิดละเป็นวุ่นวายอยู่กับอาการของจิต สิ่งที่จิตมันไปปรุงขึ้นมาตรงนั้นไม่สำคัญจิตจะปรุงแต่งอะไรไม่สำคัญนะปัญหาอยู่ที่เราไปปรุงแต่งจิตจิตจะปรุงความสุขปรุงความทุกข์ปรุงกุศลปรุงอกุศลไม่ใช่ปัญหาเลยจิตเขาก็ทางานไปตามความคุ้นเคยของเขานั่นแหละอย่างเราเดินอยู่ดีๆเรามีนิสัยขี้โมโหเดินเดินอยู่นะคนไ่เหยียบขาล้วไหนโมโหแล้วนะ ความโกรธเกิดขึ้นในจิตปลุงความโกรธขึ้นมาไม่ใช่ปัญหานะจิตมันโกรธมันไม่ใช่ปัญหาเพราะงั้นไม่ต้องไปห้ามมันแต่พอจิตมีความโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าใจคล้อยตามความโกรธนี่เป็นปัญหาละหรือถ้าใจต่อต้านความโกรธนี่เป็นปัญหาแล้ใจต่อต้านความโกรธเช่นพอโกรธก็โกวยโกรธไม่ดีไม่โกรธ ด, ดีกว่าเห็น ไ, ไหมเข้าไปสู่ความเป็นคู่ละอันหนึ่งดีอันหนึ่งไม่ดีละเริ่มให้ค่าเริ่มให้ค่าใจก็เริ่มดิ้นสิทําไงจะหายโกรธ ดินดนใหญ่นะพุโทโธพุโทโธโกรธนอโกรธน้ออะไรจะให้หายโกรธนะตรงนี้แหละใจเรากําลังปรุงแต่งอยู่นั้นจิตใจนะมันมีธรรมชาติปรุงแต่งของมันเองอยู่แล้วไม่เป็นไรมันจะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วไม่เป็นไรแต่พอสติเราไประลึกรู้แล้วเรารู้ไม่ทันขึ้นมาจริงๆนะมันเกิดยินดียินร้ายมยินดียินร้ายแล้วคราวนี้แหละเราปรุงแต่งละไม่ใช่จิตปรุงนะแต่เป็นเราปรุงแต่งนะตัวนี้คือตัวปัญหา มันง่ายกว่าที่นึกนะง่ายสุดขีดเลยเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเราดูกายดูใจเขาทำงานของเขาไปเราดูกายดูใจเขาปรุงแต่งของเขาไปเราไม่ต้องทำอะไรเรารู้ลูกเดียวเลยรู้วันหนึ่งเราจะเข้าใจเลยโอ้กายกับใจเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเรียกสังคตะธรรมเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ใช่ไปฝึกให้มันไม่ปรุงแต่งแต่เมื่อมันปรุงแต่งแล้วเราไม่หลงยินดียินร้ายเราไม่ไปช่วยมันปรุงแต่งตัวนี้ตั้งหากหล สบายเลยคราวนี้จิตใจนะไม่ต้องทํางานจิตใจว่างงานที่ว่าสิน้นสิ้นอะไรสิ้นชาติสิ้นภพบจบพลมจันทร์หนึ่งสิ้นชาติคือจิตนี้ไม่ไปหยิบฉวยรูปธรรมนามธรรมใดๆขึ้นมายึดถือไว้ให้เป็นภาระหนักหนว่วงทวงจิตใจอีกต่อไปสิ้นภพคือสิ้นการทํางานทางใจสิ้นชาติสิ้นภพบจบพรลมจันทร์คือไม่ต้องมีการศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติธรรมใดๆอีกแล้วนะงานทําเสร็จแล้ว แล้วใจปล่อยวางไปหมดแล้วใจพ้นจากการปรุงแต่งพ้นจากการทำงานนะนี่มันพ้นไปได้อย่างนี้นะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงมีแต่ความสุขล้วนๆนี้นี่มันจะพ้นได้ก็ต้องมีสติขึ้นมารู้ทันความปรุงแต่งของกายของใจไปโดยที่ไม่ไปช่วยมันปรุงแต่งนี่พอเรารู้ทันความปรุงแต่งของกายของใจนะใจมันก็จะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่มันไม่ห้ามมันหรอก ไม่ใช่ว่าจะต้องดีด้วยลทำไปไม่ใช่ฝึกเอาดีนะไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ใช่ฝึกเอาสุบไม่ได้ฝึกเอาสงบฝึกเห็นเลยจิตใจมันก็ทํางานของมันไป่ ใ, ใจเรารู้ทันแล้วก็เป็นกลางไม่ไปแตะต้องไม่ไปทําอะไรมันหลวงพ่อมนตรีท่านใช้คําบอกว่ารู้จงรู้ทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าใช่ไหมแต่อย่าติดในรู้นั่นอย่าไปทําอะไรอย่าเติมอะไรลงในการรู้ท่านสอนกิ่งนะ ท่านชอบสอนแบบเปรียบๆเลยๆหลวงพ่อฟังแล้วเวียนหัวฟังแล้วต้องมานั่งแปลปวดหัวฟังท่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกจริตมันต่างกันแต่ก่อนนั้นหนีท่านด้วยนะเหมือนน้องเกเรนะน้องหนีหน้าพี่ชายด้วยถ้าไม่จำเป็นจะไม่ไปให้ท่านเห็นหน้าหรอกเดี๋ยวท่านชวนบวชถ้าไม่ชวนบวชนะท่านก็จะมาพูดอะไรเปรียบๆเลยๆเราฟังแล้วงงแล้วไปตีความอา แล้วก็การภาวนาถ้าจะแกว่ง ก, บ ก, กับหัวกับหางไว้หมดเลยไม่ใช่ท่านไม่เก่งนะท่านเก่งนะแต่วิธีพูดกับหลวงพ่อนะพูดกันไม่ค่อยสื่อมไม่ค่อยสื่อรักท่านนะเคารพที่สุดเลยแต่มันเหมือนน้องเกเรหนีได้ก็หนีไว้ก่อน <c oughs> จริงๆท่านสอนธรรมะนี่นะเด็ดขาดมากเลยแต่ท่านไม่พูดตรงๆแบบหลวงพ่อท่านชอบพูดเรียบๆเลยๆไปเล่านิทงนิทานอะไรไปนะ ยังไม่เล่ามัางแต่อินกาตานามีหมดนะงูจงองจงอ่างอะไรก็เล่านั่นไปเรื่อยแ้วก็ต้องคอยกลั่นกรองเอาธรรมะเอาเองอนี้ใสหลวงพ่อมันประเภทขวานผ่าซากฟาดโครมโครมลงไปนะไม่มานั่งเปรียบเลยเสียเวลาจริงๆง่ายนะง่ายที่สุดเลยหลวงพ่อก็ได้ไประโยชน์จากท่านเยอะเลยตอนเวลาท่านบวชท่านบอกประโมทมันง่ายนะ ง่ายนะพอเรามาภาวานานะเอาจริงเอาจังนะโอ้ยมันหนักนะมันหนักหน่วงมันเครียดเหนื่อยกายเหนื่อยใจพอเหนื่อยมากๆเข้าเฉลียวใจหลวงพ่อมนตรีท่านก็ว่า ง, ง่ายครูบาอาจารย์องค์อื่นก็ว่า ง, ง่ายนะหลวงปู่สุวัตก็บอกง่ายนะงยองค์ไหนองค์ไหนก็บอกง่ายหรือตั้งแต่หลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศอะไรเรื่อยมาที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาก็สอนเหมือนๆกันนะอย่าทําอะไรนะอย่าทําอะไรนะ รู้ไปอย่างที่ทําอยู่นี่แหละถูกต้องแล้วไม่เราก็ชอบถามนะว่าจะต้องทําอะไรอีกไหมทําไมมันไม่บรรลุพระอรหันต์เสียทีเนี่ยใจมันอยากบรรลุพระอรหันต์ไม่เห็นน่ะโง่เห็นไหมโง่ไม่เห็นเที่ยวไปถามครูบาอาจารย์เลยผมจะต้องทํายังไงอีกให้มันดีกว่านี้อีกท่านก็พูดเหมือนเหมือนกันนะไม่ต้องทําอะไรนะรู้ไปอย่างที่รู้นี่แหละรู้กายรู้ใจไปแล้วมีสติแล้วจะต้องทําอะไรอีกล่ะมีสติรู้กายรู้ใจแล้วก็รู้ไปสิจนวันหนึ่งมันแจ้ง บางองค์นุ่มนวนท่านก็เปรียบให้ฟังนะเหมือนผ ล, ลไม้นะมันต้องรอเวลาสุกอย่างเรามีสติรู้กายรู้ใจไปก็ต้องรอเวลาที่มันจะสุกงอมของมันเองอย่าไปเก็บมันมาบ่มนะบางองค์ช่างเปรียบเทียบก็จะสอนอย่างนี้จริงแล้วง่ายสุดขีดเลยหลวงพ่อเติมคำว่าสุดขีดเข้าไปอีกนะแต่ก่อนจะสุดขีดนี่ก็พูดหยาบยาบอ้วกจะแตกนะ จริงๆง่ายๆง่ายงหลวงูงเทศบางทีท่านก็เล่านิทานก็มีเหมือนกันนะเเคยฟังท่านท่านเล่าเรื่องลิงติดตังบ่าคนโบราณเวลาจะจับลิงเขาจะเอามาพร้าวมาลูกหนึ่งแล้วเฉาะให้มันมีรูเฉาะแล้วก็ตั้งไว้โคนต้นไม้เฉาะรู ไอลิงพอมาเจอมะพร้าวนี่มันจะมือแย่เข้าไปในลูกมะพร้าวแล้วก็ไปควักเนื้อมะพร้าวจะเอามากินอ่ะมันควักเนื้อมันพร้าวปุ๊บมือมันก็จะกำใช่ไหมมือมันโตตอนมันใส่เข้าไปในรูมือมันอย่างนี้เสร็จแล้วมือมันโตอย่างเงี้ยท่านบอกมันจะสะบัดอย่างเงี้ยมันไปไหนไม่ได้แล้วมันจะต้องถูกเข้าจับไปฆ่ากินนะท่นบอกเนี้ยเรียกว่าลิงติดตังที่จริงง่ายนิดเดียวแค่ปล่อยมือซะก็หลุดแล้ว การภานาก็เหมือนกันนะที่เราดิ้นขอบแขกขอกแขกดิ้นไม่หลุดเนี่ยเพราะเราไม่ปล่อยต่างหากรู้สึกไหมรากเงาของมันจริงๆคือตัวกูตัวกูตัวกูนี่แหละนะมีตัวกูอันเดียวนี้นะจิตจะพลิกแผลงออกไปสารพัดเลยเป็นกิเลส น, นานาชนิดเลยนะนะยกตัวอย่างบางคนมีตัวกูแล้วก็มีมานะอัตตากูเก่งกูเก่งนะมีตัวกูแล้วก็กูเก่งบางคนมีตัวกูแล้วก็มีตัวมึงด้วย กูดีมึงมันเร็วกูถูกมึงมันผิดอีกพวกหนึง่งนะดูเหมือนดีนะมีตัวกูเหมือนกันนะแต่ทำยังไงกูจะดีไม่ชอบเลยนะถ้าตัวเองคิดไม่ดีซักนิดเดียวก็ไม่ได้นะรู้สึกทนไม่ได้เลยที่ตัวเองชั่วนี่ก็ตัวกูอีกแหละรักดีรักดีเพราะว่ากูจะได้ดีงั้นรากเง่าของกิเลสนาะนาะชนะนิดนะเจาะลึกลงไปถึงที่สุด มันรู้สึกว่ามีตัวกูอยู่มีตัวเราอยู่อาจารย์พุทธาทาธาตุเก่งนะเจาะลงมาตรงนี้เลยนี่อยู่ที่เราต้องรู้สึกขึ้นมาเรารู้ลงม า, ร, งมารู้ลงมาในกายในใจวันหนึงเห็นในกายใจไม่ใช่ตัวเราหรอกกายนี้เพื่อเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุเป็นเครื่องอาศัยอยู่ในโลกเท่านั้นเป็นยืมของโลกมาใช้จิตใจก็เป็นาธาตุอย่างหนึ่งนะเป็นเรียกว่ า, าธาตรู้เกิดดับเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปเรื่อยๆของยืมเข้ามาใช้ทั้งหมดเลย ตัวเราไม่มีหรอกในกายในใจนี้งั้นเมื่อไรมีสตินะสติเล้าระลึกรู้สภาวะในกายในใจจะเห็นในสภาวะนั้นไม่ใช่ตัวเราเพึ่งขี้มโมโหเพึ่งด่วนออกไหมความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหรอกนี้เราหลงอยู่ในโลกของความคิดเราก็รู้สึกว่ามีตัวเรา แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ไม่หลงในความคิดนะั้นเรารู้สึกตัวมีสติขึ้นมาเนี่ยพอเรารึกรู้กายจะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราเราริ่รู้จิตจะเห็นเลยจิตไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยนะแต่เดิมทุกครั้งที่ดูทุกครั้งที่ฟังทุกครั้งที่ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทุกครั้งที่คิดนึกเนี่ยมันจะพอกฟูลความเห็นผิดว่ามีตัวเราไปเรื่อยๆอย่างพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นแล้นี่เห็นพึ่งนี่เห็นหลวงพ่อเห็นไหมนี่มันพอกฟูนความรู้ผิดความเข้าใจผิด ความจริงสิ่งที่เรามองเห็นแค่วัตถกุก้อนาธาตุแค่สีเท่านั้นเองที่มองเห็นสีที่สะท้อนจากวัตถุอันนี้เท่านั้นหรือร่างกายนี้เรารู้สึกเป็นตัวเป็นตนจริงๆนะจริงก็เป็นวัตถุเหมือนกับดินเหมือนนี้เป็นวัตถุนี่เราไม่เห็นความจริงทุกครั้งที่เห็นเราก็เห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เวลาฟังก็เนี่ยเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงหมาเสียงแมว สมมุติปัญจมันเข้ามาปิดบังความจริงไปหมดเลยแต่พอเรามีสติขึ้นมาเราเห็นกายเห็นใจเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความโกรธไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ใช่ความโกรธเงี้ยความโลภไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่ความโลภความสุขไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ใช่ความสุขดูไปเรื่อยจนตัวเราหายไปนะตัวเราไม่มีหรอกพอดูไปพักหนึ่งเห็นในตัวเราไม่มีตัวนี้เกิดอาการเพียนเพียนขึ้นมาอีกแล้วตัวเราไม่มีบางคนตกใจกลัว บางคนกลัวนะรู้สึกโอ้ตายแล้วตัวเราหายไปบางคนรู้สึกว่าเบิกว่างไปหมดเลยโอ้ไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยววางเวงใจบางคนรู้สึกน่าเบือ่อตัวเราหายไปแล้วโลกนี้น่าเบื่อหมดเลยเพราะว่าตัวเราที่จะเสพโลกไม่มีแล้วตัวเราหายไปนั้นเบือ่อนใจจะเบือ่อแห้งแล้งไปหมดเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาตรงกลางทางของการปฏิบัตินะให้รู้ทันอีกความเบือ่อความกลัว ความเมืองวางวางเวงอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นเป็นสภาวธรรมอันหนึ่งอีกมันจะแยกออกไปจากจิตนะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกแล้วก็เห็นทุกสิ่งเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละใจจะค่อยเข้าสู่ความเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นพาใจเป็นกลางสุดขีดใจจะไม่ปรุงแต่งใจไม่ปรุงแต่งแนละ้วถึงจุดหนึ่งใจจะเห็นนิพพานนะเกิดมรรคผลขึ้นมาง่ายนะง่ายถ้าภาวนาแล้วรู้สึกว่ายากสเต็มลงไปเลยทําผิด ผิดแน่นอนให้รู้ทันใจที่ปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่ง s e เองจําไว้นะจําไว้กว่าหลวงพ่อจะจับหลักได้นะั้เหนื่อยแทบตายเลยนี่บอกให้ฟรีๆนะไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ด้วยแต่ต้องไปจดไหมไหมลิขสิทธิ์เดี๋ยวฝรั่งมันเอาไปจดก่อนเรา <c oughs> <c oughs> หรือญี่ปุ่นมันจะเอาไปจดก่อนเรานะ ภูมิปัญญาของชาวเอเชียชาวตะวันออกแนละ้วถูกก็เอาจดเยอะแยะเลยคนตะวันออกนะั้นไม่ค่อยห่วงวิชานะไม่ค่ยห่วงถือว่าความรู้เป็นของโลกรู้ขึ้นมาแล้วเผื่อแผ่กันไดนะ้บางประเทศก็ถือเป็นทรัพย์สินห่วงแหนกันหวงแหนเอาความรู้ของเราแหละไปจดทะเบียนก็มีนะ <c oughs> ถึงวันหนึ่งถ้าใครสอนธรรมะอาจจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์นะเห็นไม่ได้ไหมจะได้รีบไปจดไว้ก่อนภาวนาแล้วต้องมีความสุขนะถ้าภาวนาแล้วไม่มีความสุขก็ทําผิดอีกแหละภาวนาแล้วจิตใจต้องโปร่งโล่งเบานะถ้าจิตใจหนักแน่นแข็งซึมทื่อก็ทําผิดอีกหละภาวนาแล้วสติต้องเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้น ถ้า ล, ลืมเนื้อลืมตัวไปนานไม่ใช้ไม่ได้ภาวนาแล้วจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตวนะัวจิตลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันเลยใช้ไม่ได้ภาวนาแล้วก็ต้องเห็นความจริงของกายของใจนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราภาวนาแล้วเห็นคนเห็นสัตว์เห็นสิ่งของโน้นนี่ก็ใช้ไม่ได้ทําผิดง่ายนะง่ายสุดขีด มันง่ายนะถึงขนาดที่ว่าอย่างเราเดินเดินอยู่คนมาด่าเราเนี่ยเราโกรธโกรธรู้ว่าโกรธไหมง่ายโดพระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะง่ายนะจิตมีราคารู้ว่ามีราคะท่านไม่ได้สอนที่ยากยากว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีราคะท่านไม่ได้ห้ามท่านบอกมีราคาเรารู้ว่ามีราคะง่ายๆ่าท่านไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายถ้ารู้ว่ามีราคะให้รีบละเสือ ไม่ได้สอนสอนว่าจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจบลงแค่นี้เองพี่หลวงพ่อมนตรี บ, บอกรู้แล้วจบลงตรงนี้ตรงที่รู้ก็ไม่ใช่ของท่านเองนะจริงๆก็คือคําสอนของพระพุเทธเจ้า น, นั่นเองจิตมีราคารู้ว่ามีราคาก็จบแค่นี้ท่านไม่ได้ให้ทําอะไรต่อนี่แต่พวกเราชอบอวดเก่งทําต่อทํายังไงราคะจะไม่เกิดอีกทําไงราคะที่เกิดแล้วจะถูกละได้คิดจะทําให้ได้ คิดว่าการปฏิบัติคือการทำคิดจะทำให้ได้เมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นก็ทุกข์แหละคุณยาวเป็นไงวันนี้ก็ก็เตียจะหลวงพ่อรู้สึกอารมณ์โกรธจะไม่ค่อยมี ะ, ะก็รู้สึกนั่งสมาธิก็จะรู้สึกตัวแล้วก็นิ่งๆสบายๆอ ะ, ค, ะ<ด>ค่ะดีแล<ะ>้วค่ะดีแล้วนะจิตใจเข้าถึงความสงบสุข มีความสุขรู้สึกไหมสบายโปร่งโล่งเบานะแต่ว่ากิเลสแทรกเข้ามาเราก็เห็นแลเห็นค่ะพอเห็นเข้าก็ไปค่ะมีความคิดมันก็ลอยมามันก็ลอยไปใช่บางทีความปรุงมันก็มันก็ปรุงเองแล้วมันก็ดับไปเองไปเองใช่ก็มันก็สักแต่ว่าอก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นเท่านั้นแล้วใช่แล้วเราก็เห็นนะอย่างความคิดก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์อะไร ไหลามาไหลไปโลบตรวจลงก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาของที่ไหลามาไหลไปนะเราไม่มีหรอกแต่กายมันก็ยังหนักเป็นธรรมชาติอยู่จเจ้าค่ะมันก็มีอาการตึงอาการหนักอาการอยู่แต่ก็ดูมันไปเรื่อยเมันเป็นไปตามความเคยชินเจ้าค่นะมันยังเคยชินอยู่จนวันหนึ่ง เ, เงนี่ยเขาเลิกทํางานเขาเลิกทํางานมีความสุขที่สุดเลยว่างงาน โอ้ยเวรมีความสุขบอกไม่ถูกหลวงพ่อท่านถามบอกว่าไปงานศพท่านบอกถ้าโยมเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงโยมก็ไม่เข้าใจโยมก็บอกว่าสบายดีตายก็สบายดีท่านบอกไม่ใช่ต้องไปอยู่วัดเ อ, อ้วเขโยมก็บอกเอ๊ะเราตอบผิดตรงไหนท่านบอกว่าก็าบอกก็พี่ตอบอย่างคนโลกโลกกับตอบตายแล้วก็สบายดีแล้วแล้วจะให้ตอบว่า ตามที่บากหรืออะไรเนี่ยโยมก็บอกว่าท่านนั้นจิตใจเราคิดอย่างนี้เราก็ตอบอย่างนี้ถ้าบอกไม่ใช่ต้องไปอยู่วัดโยมก็ไม่รู้ว่าตอบผิดหรือตอบถูกก็ถูกของเราผิดของท่านใช่ใช่ <laughs> หมดปัญหาเลยเนอะ <laughs> ไม่ต้องเถียงกันเลยจบถอาส่งไปติดค้างอยู่ทางนี้หน่อยหนึ่งตอนนี้แจนรู้สึก เบาวกว่าตอนช่วงเชา้าเพราะว่าตอนช่วงเชาจะรู้สึกว่าแข็งมากนี่ก็ยังแข็งอยู่แต่จ ะ, จะเบางงลงเบาลงหน่อยแล้วยังแข็งอยู่นะยังทำอยู่แล้วก็จะเคยที่จะเหมือนกับว่าเราคิดคาพูดเราอะไรนะคิดคำพูดว่าจะพูดอะไรออกไปแล้วพอเราพูดเสร็จปุ๊บมันเหมือนกับรู้สึกขึ้นมาว่าตะเกียะที่พูดออกไปเนี่ยมันมนไม่มีสติอะไรเลย อย่างนั้นก็ดีก็รู้ไปอย่างนั้นแหละก็รู้ไปเลยสังเกตไหมจิตจะมีสติหรือจิตจะไม่มีสติก็เลือกไม่ได้นั่นแหะธรรมะอยู่ตรงนี้ตรงที่เห็นความจริงว่าเราบังคับไม่ได้หรอกสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุก็ไม่เกิดเนี่ยใจแอบไปคิดละเห็นไหมไม่ได้เจตนาไปเองพ่อคะแล้วถ้าเกิดไออาการแข็งที่เป็นอยู่เนี่ยก็แค่รู้ไปมันต้องดูนะว่ามันเกิดจากอะไร ม่เกิดจากความจงใจจะปฏิบัติงั้นถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราก็ไปทำต้นเหตุของมันก็แข็งไปเรื่อยๆมันมีความจงใจถ้าจงใจดูไปเรื่อยก็แข็งไปเรื่อยแหละถ้าไม่ทำเห็นก็ไม่มีผลงั้นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราไปพบไปเห็นเข้านี้ยุติธรรมที่สุดแล้วนะสัพพสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปสัมผัสไปกระทบนี่เป็นธรรมทั้งหมดละ นี่เราชอบว้ามันไม่เป็นธรรมที่จริงยุติธรรมนะเราภาวนาแล้วจะแข็งแข็งก็เพราะเราไปทำเองแต่ว่าเราภาวนาจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะเพราะเลิกทำได้นะแต่ไม่ใช่จงใจไปเลิกนะจงใจเลิกก็คือการทำนั่นแหละเบอร์ย่ิบสามคิดสนุกไหมเออให้รู้ไปนะหลงไปละแล้วไงสงสัย อเก๋เน okay. ี่ยยีิบสามไปอีกแล้วรสึกไหมเก๋ okay. ก็รู้ตัวแล้วเก๋รู้ว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่าความคิดหรือการปรุงเนี่ยมันมันซับซ้อนแล้วเราต้องต้องทันตรงเนี้ยค่ะเท่าที่ทำได้ไม่ต้องทันตลอดค่ะซึ่งบางทีมันก็หลอกเราแบบหลายวันจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่เก๋ไม่ตรงคาว่าหลอกเราเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีเราจริงจงขึ้นมา มันมีความเข้มในใจของเราขึ้นมามีเราเกิดแค่ดวกไหมเดี๋ยวนี้คือมันจะมาตอนคือถ้าตอนรู้มันจะไม่มีใช่มันมีตอนเฉลแต่ตอนเผลอเนี่ยจะมีเราเกิดขึ้นมาอย่างเมื่อกี้ตรงที่เก๋พูดคำว่าเราขึ้นมาเก๋รู้สึกไ้มมันมีน้ำหนักขึ้นมาจริงๆใชคนั่นแหละดูให้ทันเลยนั่นค่ะฮัลโหลเออมาและสงสัยมันกลัวเก๋จะเรียนธรรมะประณีตลึกซึ้งเกินไป ไมโครโฟนอิาอ้าคุณหนึ่งวันนี้กายเหนื่อยก็เลยเกร็งๆเอาไว้หน่อยๆค่ะอืมถูกต้องละอ้ะ อ, อส่งต่อไปเพิ่งมาวันแรกค่ะแล้วก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติมาก่อนค่ะหัดอ่านใจไปดูใจตัวเองไปเรื่อยๆแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกัน บางวันตื่นขึ้นมาสดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาก็แห้งแรงเซ็งเซ็แล้วในวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเช้าสายไปเย็นความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยให้คอยตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรมากหรอกเนี่ยตอนเนี้ยใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหมงงงงอ่ะรู้ไหมงงอ่ะงงรู้ว่างงเห็นไหมเนี่ยรู้ลงปัจจุบันงงรู้ว่างงนั่นแหละธรรมะ แค่ได้นึ่งง่ายจะตายกําลังงงอยู่รู้ว่ากำลังงงอยู่นะกําลังมีความสุขรู้ว่ามีความสุขกำลังมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกขนะ์แอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดรู้สึกไหมนี่นี่ใจลอยแว บ, บไปแล้วดูออกหรือยังอย่าพยายามนะความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นนะล้มเหลวจริงๆนะไม่ได้แกล้งว่า <c oughs> อ้าสงต่อ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีความอยากพออยากขึ้นมาเราไม่เห็นเราก็ลงมือทํางานเนี้ตั้หาเป็นผู้สร้างทบมีความอยากนะอยากรู้อยากเข้าใจแล้วสร้างพบคือลงมือคิดคิดไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนั้นความอยากเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไปเรื่อยๆแต่ทั้งอยากรู้นะอยากรู้ก็รู้มันกาลังกำลังสงสัยนะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากําลัง ตั้งใจพยายามฟอสมันอยู่นะคะ อ, อันแรกสุดเลยนะให้รู้ว่ากําลังสงสัยก่อน <c oughs> ถ้าหัดรู้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็รู้เองแหละถ้าเราไม่หัดรู้ในปัจจุบันเราก็จะคิดไปเรื่อยๆแล้วเราไม่มีวันรู้ต้อง อ, งอดทนนะใจถึงถึงรู้ลงปัจจุบันไปด้วยเอาอาจารย์อาจารย์เบอร์สิก็พยายามดูจิตตัวเองดูอารมณ์ตัวเอง รู้สึกไหมหลายเดือนมานี้จิตใจชักจะไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นยังไงไม่ทราบนะคะพอรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นมากขึ้นมากขึ้นค่ะก็พยายามไม่พยายามเท่าไหร่ยิ่งเมื่อกี้ท่านบอกว่าใยพยายามก็คือพยายามดูจิตตัวเองอยู่ตลอดน่แะใจมันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะไม่เหมือนเดิมเดิมไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยคือตอนนี้แสดงว่าคืออยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า ตอนนี้เดินถูกทางแล้วยังไม่ทราบก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแล้ว ค, ค่อยฝึกไปขอบพระคุณค่ะอ่ะเเสื้อเหลืองมาด้วยกันเออคือเวลาที่ทำงานเนี่ยเราก็จะรู้นะคะเออเวลาดูทีวีดูแล้วเดี๋ยวเราก็แวบกลับมาดูตัว เ, เรา<ด>แต่เวลาที่สวดมนต์หรือดั่งสมาธิชอบคิดแว บ, บออกไปนะคะอ่าดีแล้ว เห็นไหมอะไรก็ดีหมดเลยนี่พูดมาดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงที่เรารู้ทันมันอย่างเราสวดมนต์นนะใจไหลแวบไปเรารู้ใจไหลแวบไปเรารู้ไม่ห้ามน ะ, <ค>ะแล้วยมค่อยนับไวมว่าสวดหนึ่งครั้งเนี่ยแวบกี่ที <คะ S 2> แล้วค่อยมาทําสถิตินะต่อไปจะแวบเยอะเลยไม่ใช่ฝึกไม่ให้แวบนะ <c oughs> แต่ฝึกแล้วจะเห็นเลยใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบ ร, รู้สึกนะฝึกไปสวดมนต์บ่อยๆไม่เป็นไรใช่ไหมคะดี ทำไมมันดีรู้ไหมเพราะว่ามันจะทําให้จิตเราจําสภาวะได้ว่าใจที่ไหลแวบไปคิดเป็นยังไงต่อไปพอเราเราสวดมนต์ใจเราไหลแวบเรารู้สึกแวบรู้สึกนะพอเราเลิกสวดมนต์มาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี้ยใจเราขยับแหวบเราจะเห็นเลยไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยอย่างตอนเนี้ไหลไปแล้วรู้สึกไหมค่ะเพราะฉะนั้นไปสวดมนต์นะแล้วก็คอยดูว่าสวดครั้งหนึ่งเนี้ยมันแวบไปกี่ทีแล้วค่ะไม่ได้ฝึกไม่ให้แวบนะ ฝึกให้มันแว บ, บไปเรื่อยๆแล้วตามดูไปจนใจมันจำได้โอ้ใจที่หนีไปคิดเป็นอย่างนี้เองต่อไปพอใจมันหนีไปคิดปั๊บนะสติจะเกิดเองเนี่ยไปอย่างเนี้ยไปอย่างเนี้ยหนีแว บ, บไปอย่างเนี้ยแตะส่งต่อนะแถวนี้เหลืออีกสองคนของโยมเลยมีอะไรไม่ไม่มีก็ส่งผ่านไปไม่ว่าล่ะเออไม่ใช่ต้องหาเรื่องคุยนะ เดี๋ยวจะกลุ้มใจเข็ดไม่กล้ามาก็รู้สึกว่าฟุ้งซ่านเยอะคะ่ะช่วงสองสมวันที่ผ่านมาแล้วก็เห็นความไม่ชอบไม่พอใจแล้วแต่ช่วงเช้านี่มันก็เบาขึ้นมาบ้างค่ะโบดีขึ้นเยอะแล้วใชได้แล้ะอัาเบอร์สามสิบค่ะก็จะหลงหลงนานนะคะหลังงนานไม่ดีต้องซ้อมนะ สวดมนต์ไปก็ได้พุดโทรไปก็ได้ใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปต้องซ้อมนะไม่งั้นเดี๋ยวหลงยาวาส่งต่อไปส่งต่อถ้าเราไม่มีไม่มีอะไรคุยกับหลวงพ่อนั้นก็ผ่านไปเลยก็ได้นะอ้าวสารอยากส่งกันบ้านแต่ไม่รู้จะส่งอะไระครับอะไรนะ ว่าอะไรนะมันอยากส่งกันบ้านเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าจะส่งอะไรครับอย่รู้ว่าอยากไงเนี่ยผมอยากส่งกันบ้านเห็นว่าอยากส่งกันบ้านเนี่ยส่งเสร็จแล้วง่ายจะตายไปกันบ้านหลวงพ่อน้ําไม่ตัดคะแนนนะเห็นกิเลสก็ให้คะแนนบางคนบอกโอ้ใจดิฉันเผลอทั้งวันเลยค่ะเห็นตลอดเลยเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอได้คะแนนเยอะเลยถ้าใครดิฉันไม่เคยเผลอเลยค่ะสามวันมาแล้วยังไม่เผลอเลยนี่เพี้ยนละ อย่างนี้ไม่ได้คะแนนอา้าวตรงต่อก่อนหน้านั้นนะคะจะจิตตั้งมั่นคือมันจะมีฉันทะของมันเองใช่ไหมคะแต่หลังจากช่วงปลายปีงานจะเยอะใช่ไหมคะหลวงพ่อหลังจากนั้นมาเนี่ยมาตอนนี้คือมันหลงแล้วมันหลงยาวะ่ะทั้งวันวกว่าจะรู้ตัวคือก่อนนอนไปเลยอะคะ่ะนั่นแหละก่อนนอนก็ทำสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ดูจิตเอาซ้อมไหมค่ะปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่า พอเรานั่งสมาธิเมื่อก่อนเรานั่งสมาธิจิตลรเพอแบบ้อแวบๆบแบบเราจะรู้ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือพอนั่งสมาธิมันก็ฟ i, ุ้ฟ ง, งทั้งตลอดที่นั่งสมาธิเลยค่ะก็เราเก็บขยะไว้ทั้งวันไงเรารับขยะมาทั้งวันพอเรามานั่งตอนนี้มันไม่ใช่นั่งดูจิต ด, ดูใจได้แล้วมันนั่งเก็บขยะนะแล้วก็ต้องยอมรับสภาพมันไปอย่าไปเกลียดมันอย่าไปอยากให้มันสงบนะถ้าอยากให้สงบก็เกิดปัญหาใหมล่ละ ถ้ามันฟุ้งไปอย่างนั้นนะมันเป็นการใช้หนี้กรรมของเราที่ทำมาตลอดวันไม่ห้ามนะไม่ห้ามให้หัดรู้ทันแล้วพอเรามีสติขึ้นมานะเราจะตื่นขึ้นมาคือคนในโลกนี้มันหลงตลอดชีวิตเลยหลงทั้งชาติอ่ะ นะลงตั้งแต่ตื่นจนหลับลงตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีคนรู้สึกตัวอันนี้ฟังหลวงพ่อไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปพิสูจน์ทีหลังหลวงพ่อบอกเลยคนในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเขาจะรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่มีตัวเราอยู่แล้วตัวเราเนี่ยเที่ยงแท้ถาวรคุณรู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เราคนเดิมนะเราก็คนเก่าเราวันนี้กับเราพรุ่งนี้ก็คนเดิมมันจะรู้สึกอย่างนี้ แต่พอเรามีสติแวบขึ้มานะเราหลงมาชั่วโมงเรารู้สึกตัวแวบขึ้นมาชีวิตเราถูกได้ตัดตอนออกไปละขาดเป็นท่อนๆแล้วทุกครั้งที่รู้สึกตัวนะชีวิตจะขาดไปท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งชีวิตนี้ไม่ใช่ยาว50าปี80ปีแต่ชีวิตเนี่ยเผลอไป5นาทีแล้วรู้สึกขึ้นมาเนี่ยชีวิต5นาทีก่อนดับไปละเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมานชีวิตจะถูกตัดเป็นท่อนเล็ก เป็นชีวิตที่เผลอกับชีวิตที่รู้สึกตัวชีวิตที่เผลอกับชีวิตที่รู้สึกตัวชีวิตไม่ได้มีอันเดียวรวดเหมือนแต่เดิมแต่เดิมเราเผลอตลอดหลงตลอดเราไม่รู้ว่าหลงอยู่แต่พอเราหัดมีสติเราจะรู้เลยเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้สึกเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้สึกพอชีวิตขาดเป็นท่อนๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นไตรลักษณ์ชีวิตที่หลงไปเนี่ยตอนที่หลงนะเราห้ามไม่ให้หลงก็ไม่ได้ใจมันจะหลงห้ามมันไม่ได้พอใจเรารู้สึกขึ้นมานะสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้นะ พอรู้สึกแล้วรักษาความรู้สึกตัวไปก็ไม่ได้เดี๋ยวก็หลงใหม่เนี่ถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นเลยทั้งหลงไปทั้งรู้สึกตัวเนี่ยล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นจะเห็นอย่างนี้ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยพอจิตมันเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยนะนี่เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจะไม่หลลงเยว่า ความสุขนี้ต <spe> <S Hans> ้องเที่ยงแท้ถาวรหรือกุศลจะต้องเที่ยงแท้ถาวรจะไม่หลงอย่างนั้นเพราะงั้นความสุขมานะจิตไม่หลงละเริงรู้ว่ามันชั่วคราวความทุกมาจิตก็ไม่เศร้าหมองรู้ว่ามันชั่วคราวอะไรๆชั่วคราวนี่มองทุกอย่างอย่างชั่วคราวนะความทุกจะลดลงไปเยอะเลยทุกวันนี้เรามองอย่างชั่วคราวไม่เป็นเรามองอย่างจริงจังสุขจะต้องถาวรถึงจะใช้ได้ทั้งๆที่สุขถาวรไม่เคยมีนึกออกไหม แต่าดชีวิตเรามีความสุขมาไม่รู้กี่รอยครั้งแล้วแต่ทุกครั้งผ่านไปหมดเลยความทุกข์ทั้งหมดก็ผ่านไปเลยเราเรียนรู้เพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้เองว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไปที่เรามีสติเพื่อเหตุนี้นะไม่ใช่มีสติเพื่อจะมีสติแต่มีสติเพื่อจะให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่าชีวิตแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยชีวิตที่มีความสุขเกิดแล้วดับชีวิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วดับชีวิตที่โลภโกรธหลงเกิดแล้วดับ นสุดจะเห็นในทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าเห็นตรงนี้ได้มีความสุขนะนี่เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเราอยากให้ได้สิ่งดีๆถาวรปีใหม่ก็ส่งความสุขกันนะส่งกงินไปส่งเงินมามเห็นมันจะสุขเลย <c oughs> ใครอยากรู้อนาคตปีหน้าไหมหลวงพ่อจะพยากรณ์ให้ร <c oughs> ับรองไม่มีผิดนะใครอยากรู้ั้ยไม่อยากรู้ก็แล้วไป อยากรู้เหรอในชูมือสิชูมือดูลายมือหน่อย <c oughs> ชีวิตปีนี้นะไม่แน่นอน <c oughs> <c oughs> นะไม่ไม่มีวันผิดเลยนะ <c oughs> ทุกปีหมอดูเขาต้องดูใช่ไหมนายกจะอยู่นายกจะไปอะไรย้ยนั่นวิชาเด็กๆอยู่บ้างไม่อยู่บ้างถูกบ้างผิดบ้างนะ ถ้าทายชีวิตนี้ไม่แน่นอนการเมืองก็ไม่แน่นอนเศรษฐกิจก็ไม่แน่นอนไม่มีวันผิดเนาะ <laughs> เพราะว่ามันแน่นอนนะที่จะไม่แน่นอนชาพุทธต้องมีเหตุผลนะมีเชื่อนะหมอดงหมอดูเสียเวลาอ่ะไปถึงไหนละไปถึงไหนเชิญ รู้สึกตอนนี้มีจิตใจนิ่งขึ้นฮะรู้สึกจิตใจอะไรน ะ, ะมีสติขึ้นนะมีจิตใจที่นิ่งขึ้นแล้วก็การ ต, ตัดใจดีขึ้นฮะช่วงนี้ครับดีแล้วแต่ตอนเนี้ยตอนนี้เป็นไงรู้ตัวเต็มที่ไหมรู้ตัวครับบังคับตัวเองอยู่นิดนึงครับนะงั้นรู้ตัวไม่เต็มที่เพราะว่าไปเจือด้วยการบังคับแคนะ่รู้ทันไปนะส่งต่อไปอไม่มีอะไรก็ผ่านผ่านไปนะ ปั้มว่างไงค ะ, ะตอนนี้เมื่อก่อนนี้จะรู้ตัวเฉพาะเวลาที่มีอารมณ์โกรธแรงๆหรืออะไรมากระทบแรงๆอะค่ะแต่ถ้ามีความสุขนี่จะหลงไปนานแต่ตอนนี้ช่วงที่มีความสุขช่วงช่วงปีใหม่ที่ไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยค่ะความสุขมันจะสั้นลงค่ะคือจริงๆแล้วไม่เฉพาะความสุขที่สั้นลงนะความทุกข์ก็สั้นลง ทำไมความสุขก็สั้นลงความทุกข์ก็สั้นลงเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วปัจจุบันมันเป็นช่วงเวลาขณะจิตต่อหน้านี่ทุกอย่างก็สั้นลงหมดเลยความสุขก็สั้นลงความทุกข์ก็สั้นลงนะอะไรๆก็สั้นหมดเลยกุศลอกุศลก็สั้นลงเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับในสุดเห็นแต่ความเกิดเพื่อมไหวเห็นแตในสังสารวัฏนี้ก็คือความเกระเพื่อมไหวของสิ่งบางสิ่งเท่านั้นเอง แล้วสั้นๆไม่มีอะไรหรอกไหวั๊บแล้วก็ดับปับแล้วกระดับเป็นปรากฏการณ์ของความเกระเพื่อมไหวเท่านั้นในขันห้า ก, ก็อย่างนั้นเองโลกก็อย่างนั้นเองอคุณตรงชอบไปพิจารณาธรรมะครับได้ถ้าใจฟุ้งซ่านก็พิจารณาธรรมะแล้วมันสงบได้สมถะเนถ้าใจบางทีใจติดสมถะนะใจซึมซมนิ่งๆนงนะ เอามาคิดพิจารณาธรรมะบ้างก็ดีกระตุ้นให้ใจเคลื่อนไหวงั้นเวลาเราฟุง้งซ่านสุดขีดนะเราคิดนะเราใจสงบนะ ใ, ใจสงบแล้วเราหายใจมานานแล้วใจนิ่งๆพามันคิดคิดเรื่องร่างกายคิดเรื่องชีวิตจิตใจอะไรนี่กระตุ้นให้เคลื่อนไหวฟังแล้วงงไหมพอสงบก็ทำให้ให้เคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวทาให้สงบ <laughs> ไมพิจารณาถึงตัวคำว่าผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้และความจงใจครับเออดีแล้วที่ทำอยู่ใช่ได้ดีแล้วเราป้อมส่งไปข้างหลังนู่น เ, เวลาชักน้อยแล้วที่ทำอยู่ถูกแล้วอ่ะผ่านโอ้ผ่านมากอย่างมากเหลือเชื่อนี่ห้าค<ว><ง>ูนร้อยละอ่ะลวงพ่คะขอความเมตตาช่วยกรุณา แยกความแตกต่างระหว่างคำว่าอนุสัยกับจริตทิ้งค่ะพเพราะได้ท่ามาว่าอนุัยนี่คือความเคยใจความเคยใ จ, จก็คือความเคยใจก็มีปัญหาทั้งสองอย่างค่ะ ค, คือจริตนิสัยอนุสเนี่ยเป็นการสะสมของกิเลสไว้สันดานที่ไม่ดีรีกว่าอนุัยนะจริตเป็นเรื่องของความคุ้นเคยเป็นความคุ้นเคย อย่างใจเราคุ้นเคยที่จะโมโหคุ้นเคยที่จะโมโหก็เรียกว่ามีจริตขี้โมโหมีโทสะจริตแต่มันจะมีโทสะจริตได้เนี่ยมันต้องมีสันดานขี้โมโหด้วยมีอนุสัยขี้โมโหด้วยเพราะฉะนั้นตัวอนุสัยนี่จะเป็นตัวของกิเลสจริตเป็นตัวปรากฏขึ้นมาของกิเลสหลวงพ่อคะแล้วในกรณีนี้นะคะคำว่าได้ยินมาจาก พระพิสุนะคะบอกว่าออการที่เราจะดับอนุใส่เนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนอนุสัยจากโดยการเอาศีลสมาธิปัญญาเปลี่ยนอนุสัยที่เป็นกิเลสลงไปแทนใช่ไหมคะซึ่งเป็นลักษณะของพระอริยะขั้นสูงสุดใช่ไหมคะคือการเปลี่ยนอนุสัยตรงนี้อนุสัยเหรออนุสัยเป็นแค่กิเลสชั้นกลางๆเท่านั้นเองแล้วคะแล้วอะไรอีกที่เป็นกิเลสที่ตัวสังโยชนะ์ละเอียดละเอียดกว่าอนุสัย ที่พระอริยะไปลาเนี่ยล้สังโยชน์สังโยชน์ชเป็นกิเลสที่ผูกมัดเราไว้ในโลกผูกมัดสัตว์ไว้ในภพแล้วก็ไม่ใช่ว่าอนุัยเป็นส่วนที่ที่นอนเนื่องแล้วสังโยชน์เป็นตัวปรากฏของอนุสัยไม่ใช่แบบนั้นหรอคะโอ้อย่าเรียนอย่างนั้นน่าหรือเบียดหัวตายเลยค <c oughs> <c oughs> ืออย่างนี้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยพอกิเลสพุดขึ้นมาเรามีสติรู้ทั น, <c oughs> นกิเลสก็ดับไป ทันทีที่เกิดสติไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อล้ากิเลส <c oughs> แต่แค่มีสติกิเลสก็ดับ <c oughs> นี่พอกิเลสดับไปเราก็ไม่ทำตามความเคยชินเก่าๆที่กิเลสสอนให้ทำความเคยชินของเราก็ค่อยๆเปลี่ยนนันอ น, อนุสัยจะค่อยๆเปลี่ยนไป <c oughs> อย่างแต่เดิมเราด่าไวมากเลยใครมากระทบนะเราโมโหเราด่าเลยเนี่ยพอกิเลสเกิดขึ้นมาโทสะเกิดเราก็ด่าเนี่ย อนุใส่เนี่ยมันปรุงกิเลสหยาบขึ้นมาพอมันปลุงกิเลสหยาบขึ้นมาแล้วครอบงําใจเราได้เราทํากรรมใหม่ <Okay. S 1> มันจะสะสมอนุใสยให้มากขึ้นหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสมมติว่าสาวๆคนหนึ่งเนี่ยบ่นไม่เป็นนะ แ, แต่งงานแล้วจะบ่นเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะต้องดูแลบ้านดูแลสามีดูแลลูกทีแรกก็อบรมสั่งสอนนะในะังสุดกลายเป็นใญ่แก่ขี้บน่นมันเคยชินมันเคยชินไปเรื่อยเพราะฉนั้นถ้าหากอนุสัยมันทํางานขึ้นมา แล้วเราก็ตอบสนองกิเลสไปอนุสัยจะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นแต่ถ้าอนุสัยปรุงกิเลสขึ้นมาเรามีสติรู้ทันปับ๊บนะกิเลสดับไปอนุสัยลงทุนแล้วขัดทุนมันจะค่อยๆฟอไปเพราะงั้นเราจเจริญสติเนี่ยอนุสัยจะค่อยๆเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆฉะนั้นคำว่า คำว่าการเปลี่ยนอนุสัยนี่โดยการเอาศีลสมาธิปัญญาลงไปใส่นี้นก็ไม่ใช่เป็นสํานวนเป็นสํานวนนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เปลี่ยนอนุสัยคเคยได้ยินแต่น้ำเปลี่ยนนิ <c oughs> นสัยขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ขออนุญาตใช้โอ ย, ยค่ะเอออย่ายาวนักนะโอ้พ่อเห็นพวกถือา่าเป็นเล่มๆนะก็ก็มีคาถามจากเรรยนถามพระอาจารย์นะครับ ในการนั่งเจริญสติแล้วก็เดินจงกรมเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีการบังคับใจอยู่แล้วก็แต่จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะสามารถใช้สติรละลึกรู้ที่มีความคิดพอใจไม่พอใจเกิดขึ้น เราสามารถใช้ได้เราทําให้รู้สึกเบิกบานกับการการมีสติตอนนั้นแต่แตก ต, ต่างกันขณะที่เรารู้สึกว่าเราจงใจปฏิบัติมันจะมีความรู้สึกว่าเราบังคับแล้วก็จิตใจก็ <ๆ S 2> จะไม่เบิกบานแล้วแน่นแเครียดเครียด่ะมันก็อาศัยการจงใจในเบื้องต้นนะหัดรู้สภาวะไปเช่นเราเดินจงกรมแล้วใจเราลอยแวบเรารู้สึกแวบเรารู้สึกไปเรื่อยๆมันเป็นการฝึกซ้อมต่อไปสติตัวจริงเกิดในชีวิตธรรมดาเนี่ยใจจะโปร่งโล่งขึ้นมา ที่คุณทำอยู่ถูกแล้วอย่าสงสัยเลยไปส่งต่อไปทำถูกเป๊ะเลยแล้วดีด้วยใจมันตื่นขึ้นมาแล้วล่ะค่ะก็รู้สึกมีเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งนะหลงไปแล้วที่หลวงพ่อชมตะกี้ขอถอนนะเม <c oughs> ื่อกี้ใจไหลไปรู้สึกไหมเออใช้ได้อย่างนี้เก่งอ่ะเชิญค่ะก็รู้สึกมีมีความตื่นตัวมากขึ้นนะฮะ ดีแล้วก็มีเห็นกิเลสเยอะๆมากขึ้นด้วยะค่ะะไรเยอะเห็นกิเลสมากขึ้นเออดีดีในลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อชอบนะเห็นกิเลสน่ะถ้ามารายงานว่าดิฉันไม่มีกิเลสนะอาการหนักละดีภาวนาดีนะค่ะแต่ก็มีความเบาสบายมากดึ้นด้วยสองคนใช้ได้ละเออ ววใวนาะแป๊บหนึ่งนะอย่าบังคับตัวเองนะคุณที่ใส่เสื้อแขนยาวเราชอบข่มใจนะอย่าไปบังคับมากเครียดดูเล่นๆค่ะการทำสมาธิให้ดูตามจริตของตัวเราใช่ไหมคะหลวงพ่อคราวนี้ที่อยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูว่าตอนนี้ที่หนูปฏิบัติเนี่ยคะ่ะถูกจริตหรือ ย, ยังนะคะโอ้ปฏิบัติอะไรล่ะสมถะหรือวิปัสสนาเอ่อ เคยไปปฏิบัติที่ของอาจารย์โกเอ็นก้าให้ดูเวทนานะคะคันนี้พอได้มาฟังของหลวงพ่อให้ตามดูจิตก็นำไปใช้ตอนนี้กำลังรู้สึกว่ามันสับสนนะคะคือสับสนสิอันนึงดูกายอันหนึ่งดูเวทนาเปลี่ยนใหม่เราไม่ได้ฝึกเอาอะไรหรอกเราฝึกให้มีสติก็แล้วกันะงั้นเวทนาปรากฏมีสติรู้ทันกูสนอกูศลปรากฏก็มีสติรู้ทันเหมือนกันเลยคราวนี้ อย่างพอเวทนาเกิดนะความทุกเกิดเนะี่ยใจกระสับกระสายมีสติรู้ว่ากระสับกระสายอย่างนี้ได้ะฝึกไปอย่างเงี้ยไม่มีสายไหนสายไหนหรอกมีแต่ว่ามีสติหรือขาดสตินะค่ะคือสงสัยอยู่อะค่ะ ว, ว่าการที่เราจะดู<อ>คือการที่จะมีเดี๋ยวน ะ, ะแป๊บนึงน ะ, ะใจลอยแล้วรู้สึกไหมเออถาฝึกอย่างเนี้ยการที่เราจะ ดูว่าเรามีความรู้สึกยังไงเนี่ยคะ่ะจำเป็นไหมคะว่าเราจะต้องนั่งสมาธิก่อนไม่ต้องไม่ต้องถ้าความรู้สึกทางใจนะรู้สึกไปเลยก็<ถ>หมายความว่าถ้าเราจะฝึกฝึกดูจิตเนี่ยก็คือฝึกดูจิตไปเลยฝึกไปเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิตามแนวตามแนวสมถะใช่ไหมคะแต่การทำสมถะมีประโยชน์นะแต่ไม่ถึงขั้นจำเป็นแล้ว ค, คือเคยอ่านหนังสือธรรมะมาค่ะว่า การที่เราสามารถจะมีสติได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยจะต้องอาศัยแนวสมถะคือนั่งสมาธิให้ได้ระดับหนึ่งที่เรียกว่าอุปจารสมาธิอะค่ะหลวงพ่ออืมคราวนี้แต่ว่าคื อ, คอคไม่รู้ไปอ่านเล่มไหนมานะอ่านหลายเล่มมากค่ะอ่าแล้วตอนนี้ก็เลยสับสนอยู่อะค่ะว่าไม่ทราบว่าจะจะไปแนวไหนดีอะค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยพอนั่ง ส, สมาธิแล้วเนี่ยใจจะไม่เป็นสมาธิเลยค่ะ คือนั่งยังไงก็นั่งไม่ลงหรอกนะเพราะงั้นต้องดูจิตไปเลยคือการปฏิบัติเนี่ยนะเราต้องดูจริตก่อนเบื้องต้นเลยจริตในการทํำมิปัสสนามีสองจริตนะไม่ใช่ราคาจริตโทสะจริตอะไรนั่นนะนั้นหจริตหจริตนั้นเอาไว้ทําสมถะจริตของมิปัสสนามีสองงานตันหาจริตกับทิฏฐิจริตตันหาจริตเนี่ยพวกรักสุกรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบพวกนี้ต้องรู้กายหรือเวทนา กายหรือเวทนานะก่อนจะรู้กายหรือเวทนาต้องทําสมถะงั้นอย่างสายเกวีก้าจะให้ทําสมาธนะิสายวัดป่ารู้กายทําสมาธิก่อนเพราะฉะนั้นเป็นสมาธินําปัญญาทําความสงบเข้ามาพวกนี้จะทําความสงบง่ายพวกสันหาจริตเนะ่ยเพราะชอบความสุขอยู่แล้วนะให้ไปนั่งภาวนานะจิตใจมันชอบความสุขเจะน้อมเข้าหาความสงบได้อย่างรวดเร็วนี่พอจิตใจมันสงบแล้วมันจะขี้เกียจขี้คลาน ก็ต้องออกมาถอยออกมานะมารู้กายหรือมารู้เวทนามันจะเห็นเลยว่ากายและเวทนาไม่ใช่มีความสุขนะกายเวและเวทนาไม่ใช่ตัวที่มีความสุขจริงมันจะดัดนิสัยที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามได้อย่างรวดเร็วนะนี่พวกจริตตันหาจริต <c oughs> อีกพวกหนึ่งของคุณนั่นแหละเขาเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตค <c oughs> ทิฏฐิจริตคือพวกคิดมาก <c oughs> พวกคิดมากทำสมถะไม่ลงเ <c oughs> นะพราะใจมันฟุ้งซ่านมาก งั้นจะไปดูทำสมถะให้ได้ก่อนเน่ชาตินี้จะไม่ได้ทำนะงั <c oughs> ้นเราต้องใช้ปัญญานำสมาธิไม่ใช่สมาธินำปัญญาปัญญานาสมาธิก็คือจิตของเราขณะนี้เป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเช่นจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน <c oughs> ทำไมไม่ต้องทำสมาธิก่อนถ้าทำสมาธิก่อนจะมาดูจิตนะจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูจะมีแต่จิตสงบ <c oughs> ทำสมาธิก่อน <c oughs> ก็ไม่มีจิตที่มีราคาให้ดูมีแต่ความสงบ ทำสมาธิก่อนมันก็ขมโทสะไม่มีมีแต่ความสงบเพราะฉนั้นเวลาจะดูจิตนะอย่าไปทําสมาธิก่อนขณะนี้รู้สึกยังไง ร, รู้สึกเข้าไปเลยพอรู้สึกมากเข้ามากเข้าต่อไปมันจะเห็นกิเลสเช่นการ ม, มาฉันทะเกิดขึ้นสติก็เห็นพยาบาทเกิดขึ้นสติก็เห็นค <ะ S 1> วามลังเลสงสัยเกิดขึ้นสติก็เห็นพอเห็นแล้วกิเลสนิวร์เนี่ยเรียกนิวร์นะพวกนี้จะดับไปพอหนิวร์ดับนะสมาธิจะเกิดขึ้นเอง นี่เป็นปัญญานำสมาธิคนละทางกัน อ, อดูจิตหมายความว่าดูความรู้สึกใช่ไหมครดูความรู้<ด>สึกข อ, องเราไปที่จริงดูสองอัน<า>ดูความรู้สึกนะกับดูกิริยาอาการของจิตกิริยาอาการของจิตเช่นขนาดที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็ไปคิดเนี่ยจิตไปฟังก็รู้จิตไปดูก็ ร, กรู้จิตก็ไปคิดก็รู้เนี่ยรู้กิริยาอาการการทํางานของเขาหรือรู้ความรู้สึกก็ได้ ฟังหลวงพ่อพูดแล้วงงรู้ว่างงเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้แล้วความรู้สึกกับความคิดมันต่างกันใช่ไหมคะต่างกันสินะค่ะรู้ความรู้สึกไม่ใช่รู้ความคิดนะรู้ที่ความรู้สึกค่ะความคิดเป็นเรื่องราวที่คิดเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเรื่องราวที่คิดให้ดูความรู้สึกนะคะไม่ใช่ดูความคิดค่ะากส่งตลบไปค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเล็กดีมากเลยนะเล็ก ภาวนาดีเล็กหลวงพ่อคะเวลาเราไปนั่งสมาธิที่วัดนะฮะบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสังขารมันไม่ไหวเราอยากจะลุกแบบเราไม่อยากจะทรมานตัวเองอะฮะอย่างนั้นจะผิดไหมฮะโอผิดที่วัดนั้นนะแต่ไม่ผิดที่วัดนี้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทรมานเราอยากจะไปสบายๆอะฮะแต่ก็อยู่ในกฎเกณฑ์นะฮะผิดแน่นอนเลย เพราะว่าผิดกฎเกณฑ์ของที่นั่นแต่ของหลวงพ่ อ, อยางไม่ผิดใช่ไหมคะของหลวงพ่อเหรอนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ของหลวงพ่อดูแล้วสบายนะความจริงโหดสุดๆเลยอย่าเผลอนะ <c oughs> ยืนเดินนั่งนอนนะท่าไหนก็ได้ไม่ว่านะแต่อย่าใจลอยอย่าเผลอไปนานไหลแวบได้ต้อรู้สึกไปๆอย่างตอนนี้ไหลแวบไปเรียบร้อยแล้วหนีวิชิตแล้ว หลวงพ่อคะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเราเ อ, อล้มตัวนอนแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้รู้สึกว่าสมองเราอจาจจะกังวลเรื่องเรื่องต่างๆเยอะแย ะ, ยะมากมายมใช่ไหมก็เลยคิดว่าเ อ, อ๊อย่างนี้เราก็สวดมนต์ในขณะที่เรานอนแต่เราสวดมนต์จนกระทั่งเราหลับคาคาถาไปเลยอย่างนี้นะได้ไหมคะได้ได้สวดไปเถอะนะไม่ว่าหรอกสวดไปเถอะ เพราะว่าเราสวดมนต์ตอนที่เรานอนผัสสวดแล้วก็หลับไปเลยเรารู้สึกรู้สึกสบายอค่ะเออ<ะ>นั่นแหละสวดไปเถอะแต่พอตื่นแล้วต้องรีบรู้สึกตัวนะอย่าใจลอยอ๋อค่ะหลวงพ่อนะไม่ไม่บังคับอะไรสักอย่างเลยแต่ต้องรู้สึกตัวบ่อยๆมาส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมากราบหลวงพ่ออีกหนูได้เข้ามาฟังธรรมะหลวงพ่อแล้วรู้สึกเบา ที่เคยปฏิบัติมาแบบต้องไปนั่งบังคับตัวเองอะนะคะก็รู้สึกมันหนักพอฟังหลวงพ่อแล้วเบาๆแล้วรู้สึกว่าง่ายที่หลวงพ่อบอกว่าให้เฝ้าดูจิตใช่ไหมคะก็ทําอะไรก็ได้หลวงพ่อบอกว่ากวาดบ้านก็ได้ถึงบ้านก็ได้ก็รู้สึกเบาก็อยากจะมากราบหลวงพ่อบ่อยๆรู้สึกไหมมันเบาเกินไปนิดนึง ใจมันชักเลื่อนเลอยๆอ่ะกระเป็นเจ้าค่ะให้รู้ทันตัวนี้นะค่ะเดี๋ยวมันจะเบาไปไหนเลยนะให้รู้สึกนะรู้สึกไว้ค่ะแล้วหลวงพ่อหนูเริ่มจะปฏิบัติได้บ้างหรือยังเจ้าค่ะเนี่ยได้นะแต่ระวังเดี๋ยวเห็นโน้นเห็นนี่ไปมันเบามากไปนิดนึงค่ะก็จะแวบเลื่อนเจ้าค่ะแวบไปตรงโน้นแวบไปทางนี้แล้วก็พยายามให้รู้แวบแบรู้รู้มันแวบไปแวบมานะอย่าให้แวบแล้วหายไปเลย เจ้าค่ะตัวนั้นอันตรายนิดนึงค่ะอย่างนี้ไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็เคยดูว่าจิตเรารู้สึกอย่างไรใช่เจ้าค่ะใช่แล้วมันสบายเจ้าค่ะแต่หนูเบาอ่ะพอหนูมาที่นี่หนูรู้สึกไหมเคลิมละแต่เคลิมแล้วกัอยากให้เคลิมไปเจ้าค่ะให้เบาเฉยๆนะไม่เอาเคลิมนะค่ะก็มาที่นี่ก็เบาว่าใช่เลยอะไรเงี้ยเนี่ยเอาอีกแล้วเคลิมอีกแล้วนี เบากับเคลิอมไม่เหมือนกันนะ <c oughs> เคลิอมนี่มันเลื่อนลอย <c oughs> มันลอยเต้งๆไปนะหลวงพ่อทำให้ดูนะมันต้องอย่างนี้ด้วยนะหลวงพ่อเบาแล้วก็มีใจแบบใจสั่นๆอะไรอย่างเงี้ยเสันแบบส่นๆดีกว่าลอยๆยไป เจ้าค่ะเนื้อรู้สึกตัวไว้รู้สึกให้มากๆนะให้ให้เฝ้าดูความรู้สึกไว้นะเจ้าคะใช่ใอย่าให้เลื่อนลอยไปเจ้าค่ะอย่าให้เคลิ้มลอยๆไม่เอานะเจ้าค่ะสาธุตัวนั้นอันตรายกับเดี๋ยวไปเห็นผีสางนางไม้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะครับผมได้ฝึกได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณ2เดือนแล้วก็เสียงหลวงพ่ออยู่ในหูตลอดวันก็เตือนสติได้ตลอด ทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่าเห็นกิเลนบ่อยไหมเห็นบ่อยครับใช้ได้และเห็นแวบๆขึ้นมาแล้วก็ทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองมันว้าเหวมันเงาๆมาได้ประมาณ2เดือนแล้วครับเห็นอะไรก็ไม่มีความสุขเลยครับเออนั้นคนโง่ถึงจะเห็นว่ามันสุขนะโลกอ่ะครับโลกมันจริงๆมันทุกข์ครับไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าครับหลวงพ่อก็ดูไปความเงาๆก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ครับจิตที่ไปรู้ว่าเงาๆไม่เคยเงาเลย อ๋อดูไม่ทราบว่าจิตจิตผู้ผู้เป็นเนี่ยดูจิตผู้เป็นหรือดูจิตผู้รู้ครับหลวงพ่อดูจิตที่มันทํางานไปคือมันพอมันมีความรู้สึกโกรธแวบขึ้นมาเนี่ยดูตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องไปดูว่าตัวที่รู้ว่าไม่ไม่อย่าไปดูใส่ตัวรู้อ๋อดูตัวที่เป็นอ่าดูตัวที่เป็นตัวที่แสดงครับถ้าเราไปดูใส่ตัวรู้แล้วมันจะนิ่งไปหมดเลยครับเดี๋ยวจะติดการเพ่งตัวผู้รู้ถ้าดูผู้รู้จะนิ่งครับจะมีจะรู้รู้สึกว่ามีความสุข แต่ถ้าดูตัวผู้เป็นเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ครับอันเนี้ยอันนึงเป็นโลกอันหนึ่งเป็นธรรมอยู่งั้นนะอ๋อครับอันหนึ่งหลงไปนะก็เป็นทุกข์นะเมารู้สึกตัวขึ้นมาก็มีความสุขแต่เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้มีความสุขหรอกเราจะฝึกเลยจิตจะเป็นผู้รู้หรือจิตจะเป็นผู้หลงอ่ะจะเป็นผู้ดูหรือผู้แสดงนะก็เป็นไปเองล้วแต่ไม่เที่ยงเวลาวางวางทั้งคู่นะอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ครับนะระวังนิดเดียวอย่าไปเพ่งตัวผู้รู้ดูที่ผู้เป็น ดูที่ผู้เป็นแต่ดูแบบไม่ถลําลงไปดูแล้วก็ตัดดูอยู่ข้างๆดูแล้วก็วางไงแต่ดูแล้วแบบอย่าจงใจวางนะอ๋ออย่าจงใจวางไปเลยครับให้มันวางเองแล้วว่ามันเกิดขึ้นอีกก็ดูอีกใช่เกิดอีกดูอีกครับครับเราจะดูจนเห็นเลยทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ใช่ดูเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบนะครับถ้าเราไปดูตัวผู้รู้เราจะมีแต่ความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปเลยคราวนี้ครับมีมีช่วงหนึ่งนะครับหลวงพ่อพอดีว่า ไปเพ่งดูตอนจะอาบน้ํามอากาศมันเย็นความรู้สึกว่ามันมันมันแวบขึ้นมาแล้วเราก็พยายามที่จะเพ่งมันตลอดจะมีความรู้สึกจะอาเจียนนะครับหลวงพ่อมันมันเพ่งนานมากเลยเพ่งมากไปครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีความรู้สึกว่าสมองนี่มันตื้อมันมันมันด้านเลยม่ไอย่าไปเพ่งใส่ตัวพูดเลยมันมึนอย่าไปเพ่งใส่มันมึนเล็กพอดีไปอ่านเจอในหนังสือของหลวงพ่อดูลงพอดูนะคะับอกว่าแค่นี้ก็ผิดพลาดแล้ว ไม่ให้คิดแต่ยังพยายามที่จะคิดวันนั้นเกิดความรู้สึกกลัวกลัวมากจนตัวสั่นนะฮะทีนี้ก็พอดีมันมันจิตมันถอนออกมาก็เลยหายกลัวไปแต่ยังยังวั น, ว, น<ๆ>วันอยู่ครับหลวงพ่อไม่ทราบเกิดจากอะไรวันวันให้รู้ว่าวันไปเลยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยอย่าปฏิบัติอย่าทําอะไรให้รู้ว่าจิตใจมันไปทําอะไ ร, รแต่เราอย่าทําอะไรครับอย่าไปบังคับมันอย่าไปจงใจดูโน้นดูนี้อย่าไปแก้ไขมัน ตามรู้อย่างเดียวตามรู้ลูกเดียวนะดูอย่างสบายๆปล่อยให้กายเคลื่อนไหวไปปล่อยให้จิตทํางานแล้วเราตามดูไปเรื่อยๆอย่าไปเพ่งใส่มันอย่าไปบังคับมันครับภาวะอย่างนี้ยังยังบังคับอยู่ยังบังคับอยู่ครับรู้สึกไหมมันนิ่งอยู่ตัวหนึ่งรับ่นแหละตัวนั้นนิ่งเกินไปครับอส่งต่อไปนะส่งต่อการการปฏิบัตินยโยมก็ยังยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะค่ะ แต่อีกใจนึงอ่ะโยมจะอวดดีอะค่ะหลวงพ่ อ, อจะจะเหมือนกับว่าตัวเองอ่ะรู้มากมแต่จริงตัวเองก็ยังสับสน อ, อยากให้รย้ค <น S 2> ยเก่งน ะ, นะรู้ว่าตัวเองอวดดีรู้ว่าสับสนใช่ได้น ะ, ค, ะคนเราชอบดูตัวเองพลาดเรามีจุดอ่อนเรามีกิเลสอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยดู ถ้าเราค่อยดูเราเห็นกิเลสของเราเราเห็นจุดอ่อนของเราดีแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนก็เนี่ย <c oughs> ใจลอยแล้วรู้สึกไหมค่ะ <c oughs> ใจไหลแว บ, บไปค่ะแต่ก่อนก็ไม่เป็นคนไม่ค่อยมีความสุขอะคะ <c oughs> ่ะอืมพอหลังๆปฏิบัติธรรมก็เริ่มก็ก็เหมือนไม่ใช่ว่าตัวเองบอกตัวเองว่าตัวเองมีความสุขนะคะมันก็จะลอยขึ้นมาเองอ <c oughs> ืว่าแต่ก่อนเนี่ยอ่จะจะอยู่กับวัตถุ แต่ตอนหลังๆมานี้ก็ก็ไม่ใช่ว่าก็คิดได้ว่าของพวกนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอะค่ะก็มันก็ขึ้นมาเองอะค่ะหลวงพอ่อดีแล้วดูบ่อยๆค่ะแ ล, แล้วอยากบอกอยากเล่าให้ฟังอีกอย่างหนึง่งโยมสอนธรรมารูกเมื่อเช้าลูกเมื่อเช้าฟังธรรมาหลวงพ่อลูกจะเปิดไว้ไว้ในรถตลอดนะคะเปิดให้ลูกฟังลูกก็เลยถามว่าแม่คำว่าอยากเนี่ยทุกข์ใช่ไหมโ ย, ยมก็เลยบอกก็ใช่ เพราะว่าถ้าเวลาลูกอยากได้กล่องนินสซอใหม่ลูกก็วนกระวายใช่ไหมบอกใช่ค่ะแบบ ก, ก็ก็อยากเล่าเฉยๆเขาว่า<ม>ว่าว่าตัวเองอสอนธรรมะลูกแบบไม่ได้สอนว่าให้ลูกเครงเครียดอะไรแต่พยายามเปิด<ม>เปิ ด, ปดแล้วก็เวลาเขาทําอะไรอยู่ก็เปิดธรรมะแล้วลูกลูกสาวของลูกน่ยเขาไม่ไม่ค่อยจะชอบฟังเพลง แต่เวลาเปิดธรรมะก็จะสังเกตดูเขาอะค่ะว่าเขาจ ะ, จ ะ, จะตั้งใจฟังหรือว่าบางทีเขาก็ทำอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่อยากฟังอะค่ะอเออดีแล้วส่งตอบไป เ, เวลาคงจะเพ่ ง, งนะฮะเวลาดูจะรู้สึกว่าข้างในบางทีแสบแสแล้วก็บางครั้งก็แข็งแข็งใช่ใช่ยังเพ่งเพ่งไปใช่ใช มันเท่งเพาอะไรรู้ไหมโยมเราอยากปฏิบัติพอเราอยากความอยากเกิดขึ้นนะตัณหาหเกิดขึ้นก็ เ, เกิดการสร้างภพคือการทำงานทางใจคำ ว, ว่าการปฏิบัตินะจริ ง, รงๆเราไปสร้างภพคือเราไปทำอะไรบางอย่างขึ้นมาที่ผิดธรรมดาขึ้นมาแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจว่าเขาทำงานยังไงนะเรากลายเป็นเราไปทำซะเองจงใจไปประคองจงใจไปบังคับอะไรเงี้ยก็แข็งแข็งขึ้นมา ใจลอยแล้วทราบไหมก็กำลังไปคิดอยู่คิดถึงว่าเออตอนที่เราที่ว่าเราเพ่งนี่เราทำอย่างไรนะเพราะว่าจะแก้ตัวเองยังไงไม่ไม่ต้องแก้สินะให้รู้ตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆอยังใจเราหนีไปคิดรู้ว่าใจไปคิดอจริงๆยมฝึกอันเดียวพอแล้วใจไหลไปคิดแล้วรู้บ่อยๆรู้ไวๆรู้ไวๆเวลาใจเราแอบไปคิดรู้ไวๆหน่อย นันเดียวพอละไม่ต้องฝึกเยอะหรอกฝึกเยอะเดี๋ยวเพ่งเยอะ <c oughs> เพราะว่าไปปฏิบัติแบบหลายๆแบบแล้วทีนี้ก็เอตอนแรกก็ักชักจะสับสนว่าไอเราจริงๆเราจะหลิดยังไงมาอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ก็เอโอ้โหเราก็จะหลีดทั้งสองอย่างเลยนะค่อนข้างจะแต่ถ้าอาจารย์แนะนำว่าก็ดูที่เราคิด เลยนะคะไม่ต้องไปทําสมาถะอะไรงนั้นเนยโยมสังเกตให้ดีอใจของเรานะเราตรึงมันให้นิ่งอยู่ตลอดเวลาเราบังคับให้มันนิ่งอฝากเป็นการบ้านนะไปดูใจเราไปคมให้มันนิ่งไมานิดนึงปล่อยปล่อยไ ป, ปยเขาคิดอะไรก็<ป> ก, ก็ดูเอเขาคิดเราก็ตามดูเหมือนเราดูคนอื่นคิดค่ ะ, ะยากนะคะยาก ยิ่งคิดยิ่งยากเลยบอกคิดมากยากนานสงสัอาการเดียวกันแล้วครับใช่ใชแต่เพ่งแรงกว่าโยมนั้นนิดหนึง่งโยมนั้นยังนิ่ ง, น, งนิ่งน ะ, ะมันซึมติดซึมฮะหลวงพ่ อ, อนั่งสมาธิก็หลับเดินเอาเดินเอาทำงานนิ่งนิ่งนั่งก็จะหลับติดซึมหลังๆนี่แร ง, งขึ้นทุกวั น, นมันเหนื่อยมั้งก็คิด ว่าส่วนหนึ่งคงมาอย่างตรงนั้นนะครับงานทางโลกมันเยอะเหนื่อยมันโม่ด้วยอะครับโม่โม่โมดีที่เห็นให้รู้มันด้วยความเป็นกลางนะใจต้องเป็นกลางกับมันใจถ้าไม่ชอบความมัวให้รู้ว่าไม่ชอบไปเลยแล้วก็อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาเป็นนั่นแหละไม่ต้องปฏิเสธมีคําถามอะครับต้นเหตุของมานะคืออะไรอะครับ จริงๆเราสะสมมานะความเคยชินของเราอะมานะมันมีหลายแบบมานะว่ากูเก่งก็มีมานะว่ากูแย่ก็มีอย่างพอประสบความสําเร็จมากเข้ามากเข้านะเชื่อมั่นมากเข้ามากเข้าก็มานะเกิดได้หรือทําอะไรเฟลไปเรื่อยนะก็มีมานะนะกูแย่แล้ว รสว่าตัวเองเป็นทั้งสองอย่างนะคือเราคอมเพล์คนอื่นตลอดเวลาครับไม่ว่าจะดีไม่ดีแล้วเราก็กรุงไปเรื่อยๆแต่ว่ามานะยังไม่ใช่กิเลสที่ต้องไปจริงๆังกับมันตอนนี้หรอกเราคอยรู้สภาวะทั้งหลายไปตามธรรมดาดูให้เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วไปดูแค่นี้ก็พอแล้วนะยังไม่ต้องตั้งเป้าสู้กับมานะนะมันคล้ายๆเราชกข้ามรุ่นนะช่วยส่งต่อไป ก็ดีขึ้นหน่อยครับไม่ค่อยภาคกำกับแล้วครับเดี๋ยวนี้อ่ะคุณเล็กมีอะไรไหมงูภาวนาดีดีแล้วอ้าววันนี้หมดแล้วนะสิบโมกเป๊ะเลยนาฬิกาหลวงพ่อเชิญโยมกลับบ้านไป